ณควงต้นอัสสะพฤกริมฝั่งแม่น้ำเนงกรันชังราเขตตำบลอุงรุเวลาเสนานิคมแขวนมคตในวันปูงรณีดีถีแห่งวิสาขามาศก่อนพุทธศักราชสีสิบห้าปีพระมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในโลกได้ตรสัสงรู้อนุถงรัสัมมาสัมโพธิญาณณควงต้นอัสสะพฤกนั้นซึ่งมักจะเรียกกันว่า ต้นโพตรัสังรู้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรสัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเมื่อได้ตรสัสรู้แล้วสัปดาห์ที่หนึ่งพระพุทธองค์ได้ประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ณควงต้นโพตรัสังรู้โดยทรงพิจา ร, รณาปฏิจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมในช่วงปฐมยามแห่งราตรีว่า อวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขาระปัจจะยาวิญญานังวิญญาณปัจจะยานามัรูปังนามังรูปปัจจะยาสลายตนังสลายตนปัจจะยาปัสโซปัสสะปัจจะยาเวทนาเวทนาปัจจะยาตันหาตันหาปัจจะยาอุปาทานังอุปาทานปัจจะยาภะโวภวะปัจจะยาชาติ ชาติปัจจะยาช่างรามักระนังโสกับปังริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตตะเกวรัสตะทุกขขันธัสะสมุทะโยโหติเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี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 ชังรามัณฑะโสกะปังริเทวะทุกขะโทมณัสสะและอุปายาสะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ อวิชชายตเววะอเสสวิงราคนิงโรธาสังขาราคณิงโรโทสังขาราคิงโรธาวิญญาณนิงโรโทวิญญาณนิงโรธานามัรูปานิงโรโทนามัรูปานิงโรธาสลายตานาคิงโรโทสลายตนานิงโรธาผัสสนิงโรโทผัสสนิงโรธาเวทนานิงโรโทเวทนานิงโรธาตันหานิงโรโท ตัณหานิงโรธาอุปาทานนิงโรโทอุปาทานนิงโรธาภาวะนิงโรโทภวะนิงโรธาชาตินิงโรโทชาตินิงโรธาชังรามัทตานังโสกบปังริเทวะทุกขโทมณ ส, สุปายาสานิงรุชันติเอวเมตัสเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิงโรโทโหติอันหนึ่ง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 เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับช่างรามังรณะโสกะปังริเทวะทุกขะโทมนัสสะและอุปายาสะจึงดับกองทุกทั้งมวลนี้มีการดับไปด้วยอาการอย่างนี้ แล้วได้ทรงเปล่งอุทานในปฐมยามนั้นว่ายะทาหเวปาตุพว ah ah ah ันติธรรมมาอาตาปิโนชายโตพรามนัสสะอัทธสะกังข่าวะปยันติสัพพายโตปะชานาติเสเหตุธรรมมังเมื่อใดแลทมทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไป เพราะรู premises, time, ้ถึงธรรมพร้อมทั้งเหตุเมื่อถึงมัชชิมยามพระพุทธองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมเช่นนั้นอีกแล้วจึงทรงเปล่งอุทานว่า ยะาธาหาเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนชายะโตพราหมณัสสะอทัฐสักังขาววัปยันติสภารยะโตขยังปัจจญานังอเวทิเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งเหตุทั้งหลาย เมื่อถึงปัจชิมยามพระพุทธองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมเช่นเดิมอีกแล้วจึงทรงเปล่งอุทานต่อไปอีกว่ายธาหาเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพรามนณัสสะวิทูปยังติทติมางรเสหนังสูงริโยวะโอภาสยะมันตลิขังเมื่อใดแล ทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารได้ดุดพระอาทิตย์อุทัยขึ้นสาดสองท้องฟ้าให้สว่างสวัยฉะนั้น พระผู้มีพระภาคได้ประทับเสวยวิมุตติสุขและทรงพิจารณาธรรมตามสถานที่ต่างๆอีก6แห่งแห่งละ7วันรวมเป็น7สัปดาห์นับได้49วันสถานที่สำคัญที่เสด็จประทับและธรรมะสำคัญที่ทรงพิจารณาในสัปดาห์ต่อๆมาคือสัปดาห์ที่สองประทับอยู่ณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของต้นโพตรัสังรูทอดพระเนตรต้นโพตรสังรูโดยไม่กระพิบพระเนตรเป็นเวลาเจวันจึงเรียกบริเวณ น, นี้ว่าอันนิมิสเจดีเมื่อพวกเทวดามีความสงสัยว่าธรรมะที่ทำความเป็นพุท ธ, ธะอย่างอื่นมีอยู่หรือไม่หนอได้ทรงแสดงยมกปาติหารกำจัดความสงสัยของเทวดาเหล่านั้นแล้ว สัปดาห์ที่ 3. สเสวยวิมุติสุขโดยเสด็จจงกรมไปมาระหว่างต้นโพตรสังรกูกับอนิมิสาเจดีจึงเรียกบริเวณ น, นี้ว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่ 4. เสด็จประทับอยู่ณรัตนคังระเจดีที่เทวดาเนงรมิดขึ้นมาถวายซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของต้นโพตรสังรู ทรงพิจา ร, รณาพระอภิธรรมทั้งเจ็ดประกร ณ, ณรัตนคังระเจดีนั้นสัปดาห์ที่ 5. ประทับอยู่ณควงต้นไทรอาชา ป, ปาลนิโครธซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นโพตรสังรูณที่นี้ทรงพบกับรามผู้ชอบตวาดคนอื่นว่าหิงหิงทรงแสดงธทมอันเป็นเหตุให้เป็นรามว่า ผู้อยบากแล้วไม่ตวาดผู้อื่นว่าหิงหิงไม่มีกิเลสดูดน้ำฝาดสำรวมตนเรียนจบตรายเพศอยู่จบพรหมจันทร์ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในอารมณ์ไม่ว่าการไหนๆควรเรียกว่าเป็นพรามโดยธรรมสัปดาห์ที่6ประทับอยู่ณควงต้นมุจลินซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของต้นโพตรัสังรูุณที่นี้เกิดมีฝนนอกฤดูการตกลงมาอย่างหนักพญานาคชื่อมุจจรินมาแผ่พังพานวงขนดกั้นรอบพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเพื่อป้องกันลมและฝนถวายเป็นพุทธบูชาพระผู้มีพระภาคทรงเปร่งอุทานปรางรบความสุขสีประการว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษ ผู้มีทมปรากฏแล้วผู้เห็นชัดอยู่ความสำรวมระวังคือความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากกราคะคือความล่วงกามทั้งหลายได้แล้วเป็นสุขในโลกความกำจัดอัสมีมานะได้เป็นสุขอย่างยิ่งสัปดาห์ที่เจ็ดประทับอยู่ณควงต้นราชายธนะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้ของต้นโพตรสังรูณที่นี้ทรงพบกับพ่อค้าชาวอุกละชนบทสองคนคือตปุ ษ, ษะและพันลิกะทั้งสองนั้นน้อมข้าวตูก้อนและข้าวตูผงซึ่งปรุงด้วยน้ำผึ้งเข้าไปถวายแล้วได้แสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถึงรัตนสองคือพระพุทธและพระธรรมเป็นสองคนแรกในโลก หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขณนะครวงต้นราชายตตนะเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วได้เสด็จกลับไปยังครวงต้นอชาปาะนิคโครธอีกทรงพิจารณาว่าปฏิจสมุบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากไม่ง่ายเลยที่คนผู้มีกิเลสทันหามากจะรู้และเข้าใจ เป็นภูมิสําหรับผู้เป็นบัณฑิตโดยเฉพาะเมื่อทรงพิจรารณาเห็นดังนี้จึงทรงดําริ จ, จะไม่แสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเท้าสัมบอดีพรม เมื่อได้ทราบความดําริของพระผู้มีพระภาคจึงได้เข้าเฝ้ากราบทูลอังราชนาให้ทรงแสดงธรรมเพราะเห็นว่าเราสัตว์ผู้มีกิเลสน้อยมีภูมิปัญญาพอจะเข้าใจตามธรรมยังมีอยู่พระผู้มีพระภาคเห็นด้วยกับคำกราบทูลอังราชนาของเท้าสหัมบดีพรม ประกอบกับทรงมีพระมหากรุณาที่คุณในหมู่สัตว์มากอยู่แล้วจึงทรงพิจารณาเปรียบเทียบอุปนิสัยของเหล่าสัตว์กับดอกบัวที่เกิดแล้วจงริญงอกงามอยู่ในน้ําบางดอกยังจมอยู่ใต้น้ําบางดอกอยู่เสมอน้ําบางดอกโผล่ขึ้นพ้นน้าเหล่าสัตว์ในโลกก็เช่นเดียวกันบางพวกมีกิเลสมากเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังจมอยู่ใต้น้ํา บางพวกมีกิเลสเบาบางเปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้าบางพวกมีกิเลสน้อยมีความพร้อมที่จะตรัสสังรู้เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วพร้อมที่จะบานเมื่อทรงพิจารณาดังนี้แล้วจึงทรงตกลงพระไทยที่จะแสดงธรรมโปรดเวนัยสั์ในโลก เมื่อรับคำกราบทูลอังรารธนาให้ทรงแสดงธรรมจากเท้าสหัมบดีพรมแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาบุคคลที่ควรจะแสดงธรรมให้ฟังทรงหวนระลึกถึงพระดาบดผู้เคยเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในสมัยที่ทรงสแสวงหาโมคตธรรมอยู่คือท่านอาลางระดาบดกาลามโคตรและท่านอุทกดาบดรามมบุตรแต่ท่านอาลางระดาบด ได้เสียชีวิตไปก่อน7วันแล้วส่วนท่านอุทธกาดาบทก็ได้เสียชีวิตไปก่อนหนึ่งวันแล้วเช่นกัน ด้วยพระพุทธวิสัยแห่งความเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกประกอบกับพระพุทธองค์ทรงเปรียมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงหัวนลึกถึงพวกปัญจวัคคีย์ผู้เคยเฝ้าอุปถักต์ในสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรณนะตาบลอุลุเวลาเสนานิคมจึงได้เสด็จพุทธดำเนินสู่ปาอิสิ ป, ปัตนะมิคทายวันเขตกรุงพานราณสี แคว้นกาสีทันทีเพื่อจะทรงแสดงพระปฐมเทศนาโปรดพวกปัญจวคีที่พากันละจากการเฝ้าอุปถาพระองค์แล้วไปอาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนั้นเมื่อเสด็จถึงป่าอิศปตนมิทายวันได้ทรงชี้แจงให้พวกปัญจวคียอมรับในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสปลอบชโลมใจของปัญจวคีให้ยินดีในการฟังพระธรรมเทศนาแล้วทรงแสดงพระปฐมเทศนาชื่อธรรมจักกัปวัตนะแก่พวกเธอโดยทรงบรรลือพรหมนาฏอันกึกก้องกังวานไปถึงพรหมโลกทรงประกาศธรรมจักคืออังริยสัจสีประการได้แก่ทุกขเหตุของความทุกข์ความดับทุกข์ และทางสายกลางเพื่อดำเนินถึงความดับทุกข์โดยประกาศอังกฤษสัตว์สอย่างอย่างละสามรอบซึ่งมีเนื้อความย่อดังนี้ 1. ทรงประกาศทุกขอังกิยสัตว่าความเกิดแก่และตายเป็นต้นเป็นทุกขะสัตว์ทุกขะสัตว์นี้ควรกําหนดกร้และทุกขะสัตว์นี้ทรงกาหนดกร้แล้ว 2. ทรงประกาศทุกขสมุทัยอังริษสัตว์ว่าความหลงเพลิดเพลินเป็นทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยนี้ควรละและทุกขสมุทัยนี้ทรงละได้แล้ว 3. ทรงประกาศทุกขนิงโรธอังริยสัตว์ว่าการละตัณหาได้เป็นทุกขนิงโรธทุกขนิงโรธนี้ควรทําให้แจ้งและทุกขนิงโรธนี้ทรงทําให้แจ้งแล้ว 4. ทรงประกาศทุกขนิโรโธทคามินีปฏิปทาอังกฤษิยศว่าอังกิยิมักมีองค์แเป็นทุกขนิโรโธทคามินีปฏิปทาทุกขนิโรโธทคามินีปฏิปทานี้ควรทำให้จังินและทุกขนิโรโธทคามินีปฏิปทานี้ทรงทำให้จังเรินแล้วเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมจักจบลง ท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมขั้นโสดาปฏิมขยานบรรลุเป็นพระโสดาบรรบุคคลแล้วได้ทูลขอบวชเป็นพระภิกษุพระผู้มีพระภาคทรงบวชให้ท่านด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปทาโดยตรัสว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดท่านพระโกนธัญญะ จึงได้เป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาและได้สมญานามจากพระผู้มีพระภาคว่าอัญญาโก น, นัญญะซึ่งแปลว่าท่านโกนถัญญะได้รู้แล้วต่อมาพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมแก่ปัญจวคีที่เหลือคือท่านวัปปะท่านพทธิยะท่านมหานามะและท่านอัศชิ ทำให้ท่านเหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมขั้นโสดาบันบุคคลและได้ทูลขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงบวชให้ด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปทาเช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนัตตละลักณะทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งหมดได้บรรลุอังรหัตผลพร้อมกัน ดังนั้นจึงขอนำท่านทั้งหลายเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอนุธระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อสดับรับฟังการประกาศพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมในโลกซึ่งแม้แต่เทวดามารพรหรือใครๆไม่สามารถจะคัดคานได้ ขอเชิญท่านรับฟังการสาธยายธรรมจักรกบวตฒนสูตรอันเป็นพระปฐมเทศนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อังรัชโตสมมาสมพุทธศาสาเอวังเมสุตังเอ็กังสมัยังภะคะวะภังรานาสิยังวิหังรติอิสิปัตันิมิขตาเยตัตังรากโพบะคะวะ ปัญจวากิเยภิกข u อามันเตศีเถวเมภิกข u เออนตภาพะพชิตเถนนเสวิตาปะกตมเหถเวโยชายังกามสุกามสุขันลิกาโนโยโข เนโอคัมโมปุตฉันิโกอันังริโยอนัตสันหิตตุโยชายังอัตตกิลมาธานโยโคทุโคอันังริโยอนัตสันหิตตเอเตเตพิกาเว อุปอันเทนุปขัมมะมัชฌิมาปเทปัฏฐาตถาคตเณนปิสัมพุทธาจะขู่คังรนีญาณคังรนีอุปสมัยผิญญาญาสัมพโอ ā ายาเนผานายาสังวัต t e กัตมาจัสมภิกขเวมชิมาพเทปธาทัทธาขเทนะปิสมบุ ध าจักขุ ā ั ā รนียานาคัง a นีย ā อุปสมาย y a ิญญาสมโพธายานิพา ā า a าสังว t ตติ อายเมวาอังลิโยะอะทังขิโคมะโคเสยอาทิถังสมมาทิธิสมมาสังคโปรสมมาวาจาสมมาคำมันโต สมมาอาชิวะสมมาวายามุสมมาสติสมมาสมาธิอยังโคสาภิขเ h มัชฌิมาปฏิปทานตถาคตเนาอภิสัมปุฎาจะคู่หังรณีญาณคังรณี อุปสมหายาพิญยายาสัมผัสยาเนปานายาสังวัตเตอีทังโคปนาพิกเวทุขังอังริยสัจจังชาติเปุกขังชังราเปโฑขางมังกรนามเปุกขัง โสกะพังร so ิเตวทุขะทโหมะนาสุปายาสัพิทุขะอภิเยหิสัมปโยโคทุโคอิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิจังนาราปเตตามเปทุขังสังขิเตนัพันจุปัตาณขันธาทุขา อีทางโคปนาภิกขเวทุคขาสมุทโยอังริยาสัจังยายหังตันหาปโนภวิกานันทิงราคาสหัตาตัตังราตัตังราพินันทินีเสยทีถัง กามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังขปะนภิกขเวทุกข์นิโรโทอันริยสัจจังโยทัสยาเยวะตันหายาเสสวิงราคะนิโรโท จากข้อปฏินิตสักขมุติอนนลโย์อิทั้งข้ปัญหพิฆาเวทุกหนิงรทคามินีปฏิปทาอังริหสัจจังอยเมว้าอังริโยอทั้งขีโคมาโคเสยาทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุขังอังริยาสัจติเมพิขเว ผูยอนั้นโสุติสุธรรมเมสสจากุงุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวช้าุทปาทิอาโลกอุทปาทิตั้งโคปณิทางทุขังอังลิยสัจัง ปังรินเยตยันติเมพิคขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวช้าอุทปาทิอโลโกอุทปาธิตั้งขบานิทาง ทุคหงอริยสสจางปังริญญาตันติเมภิคะเวปูเพานโนสุเตสุธรมเมสุจะคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวช้าอุทปาทิอาโลกอุทปาทิ อีทางทุกขสมุทยโยอังริยาสัจติเมผิกเวปุเพอนนโสุเตสุธรรมเมสุจะคุงุ a ปาทิยานังุฏปาทิปัญญาุฏปาทิเวชาุฏปาทอาโลกุฏปาท ตังโคปันิทังทุขาสมุทัยอังริยสัจจังปหาตพันติเมผิขาวเวปุเพานันโนสุเตสุธรรมเมสสจักุงอุทาพันธิยานังอุทาพันธิ ปัญญาอุทัพปาทิเวชญาอุทัพาธิอัลลโอุทัปาทิตังโคปนิทังทุกขสัมภะโยอังริยสัจจังปะหินันติเมิีขเวปุพอนนโสุเตสุธรมเมสุ จักุอุทัพปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทัปาทิเวช้าอุทัพปาทิอัลโกุอุทปาทิอีทังทุกขนิกรวโทอัริยาสัจฉิเมผิกเวปุเอนนโสุเตสุธรรมเมสุ จากุอุถัปปะทยานังถัปปะทีปัญญาุัปปะทีเวชั่วถัปปะทีอาโลกุถัปปะทีตังขโพนิถังทุกขนิกรโทอันริยสัจจัง สัจจก้าหัตถันติเมผีขเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสูจักุงอุทัพัติญาณังอุทัพัตปัญญาอุทัพัตเวชาอุทัพัติอัลโกอุทัพัติตังโคปนิทัง ทุกข์นิ่งรูทอัริยาสจจัสจิกตันติเมผิกขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรเมสุจากุงุฏาปัติยานั a ุฏาปัติปัญญาุฏาปัติเวชาุฏาปัติอาโลกุฏ p ปัติ อีทังทุกข์ิกรโหธคข้ามินีปฏิปทานริยสัจฉันทิเมผิกเวผูเพออนนาสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัพัติญาณังอุทัพัติปัญญาอุทัพัติเวชาอุทัพัติอาโลกะอุทัพัติ ตั้งข้อพนิะังทุกข์นิกรทักขามิเนปฏิปัฏฐานริยาสัจจังภาเวทะพันติเมผิกเวปุเพอนันโสุเตสุธรมเมสสจะคงุท p พปัติยานังุทัพปัต ปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัพปาทิอาโลโกอุทัปาทีตังโคปัญญทังทุกข์นิกรวัขามินีปฏิปทฏฐานริยาสัจังภาวิตันติเมผิเขวปุเพ n a โนสุเตสุธรรมเมสุ จากุณุธปะทิยานังุธปะทิปัญญาุธปะทิเวชาวุธปะทิอาโลกุธาปะทิจาวกิวันจมิภิกขวิเมสุจะตุสุอังริยสัจเจสุ เอวันติปังริวตังทวัตสาการังยธาภูตังยานาทัสนาันสุวิสุตังอะโหสีเนวตาวังพิกเอาเวสัทวะเกโลเกสมาระเกสะพระมมะเก สัตสัมมันบรหัมณียาปัญญาสัทวมนุสายยอนุทังรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโภตัญญาสิงยตโตจขเมภิกขเวอิเมสุจตุสุองริยาสเจสุ เอวันติพังรีวัตังทวาทสสะการังยัทธาภูตังยานาทัสนาังสุวิสุทังอโหสีอัาหังภิกข h เวสัทธว k เกโลเกสัมมาเกสพรมเก สัตสัมมณบรามมณียาปัญญาสัทธาวมนุสัยาอนุตั้งรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจญญาสิงห์ญาณันจะปนเมธาสนังอุท p ปาที กุปหามีวิมุติอายาแมนติมาชัตินาธิธานีปุนาภวุติอิทธามวจพักขวะอาตมานาปัญจวัคคียาพิฆูปักขวะโตอาภัสตังพินันทุงิมสมิจปนา เวียกังกรนัตสมิงพันยมาเนอายสัมโตคนดันยัตสาวิงรชังวีตมะลังธรรมะจักคุงอุทบาทียังกินจิสมุทะยาธรรมัสัพพันตังนิกรโทธรรมันตีปวัติเตจะ ภคกวตาธรรมะจากเกผุมม้าเทวาสัามนุสย์เวสุงเอตัมภคกวตาภากราณสียังอิสิปตเนมิคาทายอนุตักรังธรรมะจากกังปวัตติตังปติวัติยัง สมันเนห์นวาพระมเนหนวาเทเวนวามัเรนวาพระโมนาวาเกณจิวาโลกาสมินตีภุมานังเทวา낭สัตทังสุตตว่าจาตุมหันกระชิกาเทวาสัทธมโนสาวสุง จัตุมหานกราชิกานางเทวานังสัทธังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัถธมโนสาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัทธังสุตตวะยามาเทวาสถธมโนสาเวสุง ยามานังเทวานังสัตทังสุดตัวตุสิตาเทวาสัทธามโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุดตัวนิมมานังกรติเทวาสัทธามโนสาเวสุง นิมมานังครตินังเทวานังสัททังสุตตวาปัณฑรนิมิตวัสสวติเทวะสัทธามนุสสาวสุงปัณฑรนิมิตวัสสวาตินังเทวานังสัททังสุตตวาพระมกุิกาเทวาสัทธามนุสสาวสุง เอตัมภควาต้าภังรานัสยังอิสิพตันเนมิขัตเยออนุตัณรังทัมมะจักังปวัติทังปฏิวัติยังสัมมันเห็นนาวาพระมเหว เทเวนาวามังเรนาวาพระโมนะวาเกนจิวาโลกสัมมิเตอิทธาเทนาเทนามุเทนายาวะพระโมโลกาสัตโตภุคคติ อายัจาธาสสะหาสีโลกธาตุสังคัมปีสัมปะคัมปีสัมปเวทีอภมานจาโอฬา o โอบาโซโลกเฮปาตุรโหุสีติคเมวะเทวานังเทวานุภาวัง อธากโหปะวาวอุทานังอุทานสิอัญญาศิวะตาพุกณดัญโ y อัญญาศิวะตาพุก n ดัญโยตีอิติห a n ังอายสมะโตกณดัญญาตสา อัญญาโกนดัญโยตเววานามะโหสิติธรรมจักกัปรวัตนสุดตังนิถิตัง ธรรมจกกักรกบวรนัตนสูตรที่ได้สาธยายมานั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมิคายวันเขตกรุงพางราณสีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดรสองอย่างนี้บรรพชิตไม่ควรเสพ 1. การมสุขันลิกาโนโยค ก, การหมกมุ่นอยู่กับความสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอังริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. อ, อัตตกิรมัฐานุโยกการสร้างความลำบากเดือดร้อนให้แก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอังริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลาย มัชชิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นตถาคตได้ตรัสสังรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดปัญญาจากสุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัตสังรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายก็มัชชิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัตสังรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรสัสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรมัชฌิมาปฏิปทาคืออังกยษมักมีองค์แปดนแลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นอังกฤษสัตสีเห็นไตรลักษ์หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ ความดั่งนึกคิดในทางที่จะสละไม่อิงกามปราศจากพยาบาทและปราศจากการเบียดเบียน 3. สัมมาวาจาเจงระจาชอบคือพูดคำสัตย์คำแพงรอ้ออนหวานไม่กล่าวคำส่อเสียดพูดแต่สิ่งที่มีสา ร, ระ 4. สัมมากัมมันตะกระทธรรมชอบกระทําโดยไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพโดยเว้นจากมิจฉาชีพแล้วประกอบสัมมาชีพ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบคือพยายามระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นพยายามกำจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วพยายามทำความดีให้เกิดขึ้นและพยายามรักษาความดีเอาไว้ 7. สัมสมาสติ ระลึกชอบพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรม 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบหมายถึงตั้งจิตไว้ในองค์ฌานทั้งสี่อย่างภิกษุทั้งหลายนี้คือมัชฌิ ม, มาปฏิปทานั้นที่ตถาคดได้ตรัสรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสงรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขอริยสัตว์คือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความเศร้าโศกเสียใจความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้ใจก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะสมุทยัยอังกฤษสัตคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกาหนัดมีปกติทาให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ คามตันหาความอยากในวัตถุกรรมภวะตันหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวะตันหาความอยากให้ไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะนิโรธอังริยสัตคือความดับตันหาไม่เหลือด้วยวิ่งราคะความละความสละทิ้งความพ้นความไม่อาลัยในตันหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้ เป็นทุกข์นิงโรธคามินีปฏิปทาอังกิยสัตว์คืออังกิยมักมีองค์แปีนแลได้แก่ 1. สัมมาทิฐิความเห็นชอบคือเห็นอังกิยสัตว์สเห็นไตรลักษณ์หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท 2. ส, สัมมาสังกัปปะดําริชอบดําบริในทางสละที่ไม่อิงกามปราศจากพยาบาทและปราศจากการเบียดเบียน 3. สัมมาวาจาเจงพระชาชอบคือกล่าวคำสัตว์คำแพงราออ่อนหวานไม่ส่อเสียดกล่าวแต่คำที่มีสา ร, ระสสัมมากรรมตระกระทาชอบกระทาโดยไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเว้นจากมิจฉาชีพแล้วประกอบสัมมาอาชีพ 6.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 วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขคันิโรโธทคามินีปฏิปทาอังกิยสัตน์นี้เราให้จเจริญแล้วภิกษุทั้งหลายการเห็นด้วยปัญญาของเราตามความเป็นจริงในอังกิยสัต4ีเหล่านี้3มรอบ12อาการอย่างนี้หมายถึงเห็นด้วยยานสคือสัจญาน เห็นตามความเป็นจริงกิจยานเห็นว่าเป็นสิ่งควรทำและกตายานเห็นว่าทำได้แล้วเกิดขึ้นเวียนไปในอังยษศสตว์4ข้อข้อละสมรอบรวมเป็น12รอบดังนี้ 1. นี้ทุกขอทุกนี้ควรกำหนดรู้ 3. ทุกนี้กำหนดรู้แล้ว 4. นี้สมุทัย 5. สมุทัยนี้ควรละ 6. สมุทัยนี้ละแล้ว 7. นี้นิงน่งโรด 8. นิ่งโรดนี้ควรทําให้แจ้ง 9. นิ่งโรดนี้ทําให้แจ้งแล้ว 10. นี้มักส1บเอ็ดมักนี้ควรทําให้จงเกิลสิบสองมักนี้ทําให้จังเกิลแล้วยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก กับทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดการเห็นด้วยปัญญาของเราตามความเป็นจริงในอังกฤษสัตว์4เหล่านี้3รอบ12ออาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรสัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก กับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยาณทัศนคเกิดขึ้นแล้วแกงเราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศพระธรรมจักอย่างนี้ภิกษุปัญจะวะคีมีจิตเลื่อมใส ย, ยินดี พึงพอใจสุภาษิตของพระผู้มีพระภาคขณะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์คือพระสูตรที่ไม่มีคาถานี้อยู่ธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมขั้นโสดาปฏิมัคคยาอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่ท่านพระโกนธัญญะว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วทวยเทพชั้นภู ม, มะิะกระจายข่าวออกไปว่านั่นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วนักป่าอิสิปตนมิกทายวันเขตกรุงพางราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆ ใ, ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ ถวยเทพชั้นจาตุมมหาราชได้สดับเสียงของถวยเทพชั้นภุมมะแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นดาวดึงสดับเสียงของถวยเทพชั้นจาตุมมหาราชแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นยามาสดับเสียงของถวยเทพชั้นดาวดึงแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นดุสิตสดับเสียงของถวยเทพชั้นยามาแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นนิมมานรดีได้สดับเสียงของทวยเทพชั้นดุสิตแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นปารณิมมิตวัสวัตตีสดับเสียงของถวยเทพชั้นนิมมานรดีแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นปรนิมิตวัสวัตตีสดับเสียงของถวยเทพชั้นนิมมานรดีแล้วได้กระจายข่าวต่อไป ถวยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมได้สดับเสียงของถวยเทพชั้นปรณิมมิตรวสวัตตีแล้วก็ได้กระจายข่าวต่อไปว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณป่าอิศิปตนะมิคถธายวันเขตกรุงพางราณสีอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆ ใ, ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้เพียงครู่เดียวเท่านั้น เสียงเปล่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้สันสะเทือนเลื่อนลั่นวันไหวแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณมีได้ปรากฏขึ้นในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานนี้ว่าผู้จเจริญทั้งหลายโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอ ผู้จงเจริญทั้งหลายโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอดังนั้นคำว่าัญญาโกนธัญญะนี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระโกนธัญญะด้วยประการชนนี้ธรรมจักกปวัตนสูตรจบบริบูรณ